อาสาภกวโตสาสนังยถาสติยถาพรังมนสิกโรมาอนุปฏิปัจจามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังส า, สาธโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัติ น, นั้นๆนของเราทารั้งหลาย เยมาสะเกวราสะตุกากันดาสะอันตกิริยาสะสังวัตตุขอให้ความขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการดำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เธอ จิราบรินิพุทธังปิตังพระกวนตังอุติสารานตังสัมมาสัมพุทธัง mm hmm. เราทั้งหลายอุดิจะ พ, ร, พ, ร, พระพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลส mm hmm. ต่ัสรูชอบได้โดยพระองค์เองแม้บรินิพานนานแล้วพระองค์นั้น สัทธาคารสมาณคาริ t y งปะปะจิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วราสมิงพขวติพระมจริยังจามาพระพฤติอยู่ซึ่งพรมจารนันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น บีกูนางศิขาสัชีิวาสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิขาและธรรมเป็นเครื่องเรียงชีวิตของปิสูทั้งหลายตั้งโนพระมาจริยงอิมาสัมเกวร a ส h ท, ทุขาคันดาสาตดากิริยายาสังวัตตูว ขอให้พรหมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการดำที่สตรแห่งกองทุกตั้งสิ้นนี้เทิดต่อไปก็เปิดไปหน้าที่สิเก้าดูบทวดวจน้ำตอนเช้า บุญญาสิธานิกาตาสายานัญญาณิกาตานิเมเทสัญชาภาคิโนฮุนตุสัตตานันตาประมาณกามสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ระแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจะไยหังมาตาปิดตาทะโยเทตาเมจาพยาทิทาวะอันเยมาชัตตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เราได้ซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสเราอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวนกันก็ดีสัตตาทินติโรกัสมิงเตภุมาจัตุโยนิกาปราเจกจัตุัวการาสังสารตาภาวะภเว สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโรคอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันหน้าขันมีขันขันเดียวมีขันสีขันธกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพ บ, พบใหญ่ก็ดียาตั้งเยปฏิธานังเมอนุโมทันตุเตสยาม เยจิมังนประชานันติเทวเดสังนิเวทยวงสั่งเราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสั่เรานั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสั่งเราได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสั่เานั้นให้รู้ มายาทินนาณพุญญานังอนุโมทนาเอตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขชีวินโนเกเมปทันจะปพนตุเตสาสิสตังสุภา พระเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งผ่วงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมือ่จอจงถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เรล่านั้นจงสำเร็จเถอ เปิดไปหน้ายี่สิบสามบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทวงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวราโอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวณต่อ ก, กันแลกกันเลย อ้าพยาผาชาอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิข้าอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังปริหรันดุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดจบธรรมวัดเชา้าต่อไปก็ตั้งใจปฏิบัติร่วมกันจนกว่าจะได้เวลาอันสมควร